ของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันนี่ว่าสัจจะไม่ใช่สัจจะอย่างที่เราเคยพูดว่าเราไปรับสินไม่ได้รับสินแล้วมันไม่เป็นสัจจะเสียสัตว์อันนั้นมันเป็นสัจจะของคนทั่วไปนีกว่าเด็กๆ เ, เ, เขาก็รู้นี่ว่าปานาะห้ามม่ให้ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์จะเป็นบาปแต่เขาก็ยังฆ่าแต่เขาก็ฆ่านะ ไม่ใช่ว่าจะเด็ดนะผู้ใหญ่ก็รู้แต่ก็ยังทําได้นี่ยอธินนามให้รักของคนอื่นก็เป็นสัจจะเช่นเดียวกันอันนี้สัจจะที่มันมีอยู่กับโลกเรียกว่าสัจจะสมมุติแต่ยังไม่ใช่เป็นสัจจะปรมัตาให้เข้าใจอย่างนั้นกามเมมุสาสูลาเหล่าเนี้ยแต่พูดกันได้ก็ยังทํากันอันนี้ถือว่าสัจจะโดยสมมุติ บันทีสัจจาที่พระพุทธเจ้าท่านนำมาสอนนั่นเอว่าอะไรบุพเพนิวาสานุสติญาณคือรู้จกักการเกิดของท่านหรืออะไรนี่ขอต้นมันที่สุดผมก็ลืมไป น, นึงถามเมื่อกี้เนี่ยลืมครับ บุเพนี่วาสานุสติยานวันนี้จุตุปัจญาณเขารู้จักว่าเพ่งเลงถึงจิตใจคนอื่นได้อาสวะขายายนรู้จักทำอาสวะให้สิ้นแต่ญาณน น, านี้มีอยู่ในคนทุกคนไม่มีการยกเว้นถ้ามันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าคนพบเป็นคนแรกวันนี้อะไรที่ที่ ปฐมมายามตีนะปฐมมายามคือยามขั้นต้นๆแต่จะมาไม่มีความจําอันนี้ผิดถูกก็ขอฝากเพื่อนๆผู้ฟังไว้แต่จะไปจับพิษอาตมาขออาภัยเพราะจําจากตำราดูเมื่อกี้นี่เองเพราะเราไม่เคยรู้เรื่องนี้คือปฐมมายามคือยามแรกที่สุดจะเป็นตอนเซาแล้วคํานวณเอาหน้าตามตัวหนังสือว่าเป็นยามที่เซา มันนี้มัดสินมายามก็ยามกลางวันปัดสินมยามก็ยามสุดท้ายพระพุทธเจ้ารู้ธรรมะเป็นอย่างนั้นพรยามเหล่านั้นก็มันพอจริงคือเป็นตอนเช้าหรือกลางวันหรือจะเป็นตอนเย็นแล้วก็ไม่รู้ด้วยอันนั้นเป็นยามที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู่มาวันนี้คือที่เราเคยพูดกันว่าบุพเพนิวาสารุสกิยา อันนี้เป็นญาณหลิงมองเห็นสภาพบุพเพกันหมายถึงว่าสัตว์แล้วสัตว์ก่อนก่อนโน่นรู้จักเกิดเป็นอันนั้นเกิดเป็นอันนี้มองเห็นสภาพผมเป็นอยู่รู้จักอืมญาณนั้นมองเห็นว่าเราเป็นทุกข์เป็นสุขยังไงรู้อญาณที่สองนี่ว่าจุตุปาฏาย เพ่งเลงถึงจิตใจคนอื่นเห็นวาละจิตใจคนอื่นทำดีทำชั่วอันนี้ญาณของพระพุทธเจ้าคนนี้จุดตัวปจัจจอาสวะขยานคนนี้มองเห็นรู้จักทำอาสวะให้สิ้นคืออริยสัจสีทุกสมุทัยที่โลดมักนี่เองนะตามตัวหนังสือแต่สมัคจับไม่ค่อยได้ดีละวดิ อ, อย่างเนี้ย มดนี้ก็เลยเข้ามาพูดเรื่องควมเป็นปัจจุบันพวกท่านทั้งหลายกับพระพุทธเจ้าอาจจะไม่เหมือนกันแต่พระองค์นั้นท่านว่าอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตไม่สัตว์เลยรักสารพูดมาแล้วสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเหมือนทุกคนนี่แหละสัตว์มนุษย์นี่แหละถ้าทําให้ถูกจังหวะ หรือทําเหมือนท่านก็ต้องรู้เหมือนท่านท่านว่าเพราะสภาพสภาวะดั้งเดิมของคนทุกคนนั้นเหมือนกันกันกบท่านไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสั้นแล้วเราไปบำเิเราไปอุปถัมบำหลวงท่านแล้วท่านจะอนุญาตหรือท่านจะไปนิมิตหรือปรากฏให้หรือจะแบ่งให้ให้เอาให้คนละนิดละหน่อยอ่ะคนนั้นปฏิบัติมากจะให้รู้มาก คนนี้ปฏิบัติน้อยจะให้รู้น้อยหรือใจเห็นญาณของตัวเองน้อยมากถึงจะเข้าใจอย่างนั้นเราไปเสื้อความคํานี้อยู่อ่ะสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญของข้าพเจ้าที่ได้ทําลงไปแล้วนั้นเราไปเสื้อบุตรนี้แต่ความจริงแนละ้วความคํานี้มันอาจจะตีความหมายเป็นลึก คำว่าสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทําลงไปแล้วนั้นเราไม่ใช่จะมีส่วนแห่งบุญได้รับจากพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสัตวแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วจะให้มีส่วนได้รับบุญจากท่านแล้วก็ไปทา บ, บุญกับท่านไปไหว้ท่านไปบูชาท่านนั้นอาตมายัางไม่เห็นด้ห้แต่ว่าเห็นด้วยกันแต่ว่ากระทํามาแล้วตั้งแต่ก่อนก็ทํามาเช่นนั้น เมื่อมาเข้าใจคําพูดคํานี้เออจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทําลงไปแล้วนั้นในบัจจุบัจงมีส่วนแห่งบุญคือเราต้องกระทาอย่างท่านประพฤติอย่างท่านปฏิบัติ ด, ดังท่านอยู่อย่างท่านจะมีส่วนรู้เหมือนกันกับท่านอันนี้ความหมายที่ที่เราพูดเอาเองอันเนี้ยเราเราพูดอย่างนั้นคือว่าถ้าไม่ทําอย่างท่านจะไม่มีโอกาส ไม่มีเวลาที่จะรู้ได้เพราะว่าท่านได้พูดไว้แล้วว่าสภาพหรือสภาวะดั้งเดิมนั้นเหมือนกันกับท่านท่านจังหวัดสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเราก็เลยว่าพระตถาคตเจ้าใา้พระพุทธเจ้าเป็นพระตถาคตตอนนี้พระองค์ว่าสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับเราตถาคตท่านท่านกลับบอกว่าเหมือนกันถ้าหากทำเหมือนท่าน ก็ได้รับประโยชน์อย่างท่านดังนั้นจีวายานจุดตูปตาญาณ น, นี้มองเห็นสภาพหรือภาวะจิตใจของคนนั้นคนนี้เรามาปฏิบัติธรรมะมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเพื่อให้รู้จักรูปนามนี่คนใกล้ๆนะแบบ น, นี้เมื่อเรารู้จักรูปนามคนอื่นก็มีรูปนามเช่นเดียวกัน ท, ทําไมจึงไม่รู้เราเพราะไม่ได้ทําเหมือนท่าน มันก็ไม่รู้เหมือนท่านเมื่อเราทําเหมือนท่านเจริญสติมันก็รู้เหมือนกับท่านมันก็มีรูปมีนามเช่นเดียวกันบัด น, นี้คนอื่นก็มีรูปนามเห็นรูปเห็นนามรูปธรรมนามธรรมบันีำำเน้เอ๊พะพระพุทธเจ้าก็มีรูปธรรมนามธรรมแล้วก็มีรูปธรรมนามธรรมพระพุทธเจ้าก็มีเกิดแล้วกตายเป็นรูปโลกนามโลกเจ็บหัวปวดท้องเป็นโลกใช่ไหมเนะื้อเมื่อพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานเป็นโลกไมหมเนือ้อในท่านก็เป็นโลกก็ตายเหมือนกัน บั น, นี้ยามตั้งแต่ป้อนก่อนโน้นก็มีชอบมีเกลียดมีรักมีพอใจมีไม่พอใจท่านก็มีแต่ก่อนแต่เมื่ อ, อยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเหมือนกันเหมือนเนี่ยจังหวะสภาพหรือสภาวะดั้งเดิมเหมือนกันเมื่อเราทําเหมือนกับท่านก็จะรู้เหมือนกับท่านอันนี้ถ้าจะพูดไปไปก็ยาวนะะบันนี้เมื่อรู้จักโลกโลกนามโลกแล้วก็รู้จักสภาพหรือภาวะ ทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่เราก็มีเหมือนกันกับท่านอาจามาเคยพูดบ่อยๆแต่ไม่ได้พูดอาอาขนาดนี้เพราะว่าวันนี้มีคนต้องการอยากให้พูดโดยสัจจะทำมันก็เลยเอาเรื่องสัจจมจริงมาพูดสุกันฟัง น, นี่แหละที่เราไม่เข้าใจว่าเมื่อท่านรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตาท่านมองเห็นสภ า, ภาวะมันเป็นอย่างไรทางนี้ก็เลยรู้สมมุติ แล้วเอาสมมุติมาพูดขึ้นถ้าไม่พูดสมมุติแล้วมันไม่มีประตูใดที่จะมาพูดใดก็เลยยืมเอาสมมติของโลกมาพูดสมมุติบัญญัติปรมัตตบัญญัติอั ธ, ธบัญญัติอริยะบัญญัติสมมุติบัญญัตินั้นคนทั่วไปเขารู้ว่าปานาห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์อัตินาไม่ให้รักของคนอื่นกาเมย์ไม่ประพฤติผิดในกาบมุสาสุราไปอย่างนั้นแหละทิศห้า วันนี้สินแปะกับวิการลาโผอุจาสากระลุปไปตามที่เราเคยพูดกันอันนั้นเป็นสัจจะโดยที่ว่าคนทั่วไปเราตั้งขึ้นมาเรียกว่าโดยสมมุติสมมุติสัจจะประมัตเดียว่าจริงโดยสมมุติบันนี้คัตธาบันนี้เมื่อพระองค์มาเห็นสภ า, ภาวะจิตใจของพระ อ, องค์เออทาอย่างนี้เราชอบใจเมื่อเราทําอย่างนี้กับคนอื่นคนอื่นก็ชอบใจ คนอื่นก็มีชอบใจเหมือนกันคับเราเราก็มีการชอบใจเหมือนกับคนอันนี้เขาเรียกว่าคนยังไม่รู้มันต้องเป็นอย่างนี้เรียกว่าปุกถุชนเนี่ยยังไม่มียานเกิดขึ้นก็บริเป็นอย่างนั้นก็มองเห็นพระองค์ต้องเห็นของพระองค์แล้วจึงจะไปมองเห็นคนอื่นได้ไอะทําอย่างเนี้ยเราเปลียนคนอื่นทําก็เปลียนแม้เราทํากับคนอื่นคนอื่นก็เปลียนคนอื่นทำละ เ, เราก็เกลียดโอ้สภาพ สภาวะดั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเรียกเรียกว่าพระองค์รู้จิตใจและวาละจิตใจของคนอื่นแต่ไม่ใช่จะไปมองเห็นอย่างที่เราเราพูดกันนะพระองค์นั่งอยู่นี่ต้องมองเห็นสภาพหรือภาวะจิตใจของคนนั้นคนนี้ให้มองเห็นอย่างนั้ น, นั่นเป็นการเข้าใจของคนแต่พระองค์ต้องมองเห็นจิตใจของพระองค์เออนี่สัตว์ทั้งหลายเหมือนกันกับเรา ไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนไม่ว่าจะเรียนหนังสือมากๆหรือไม่ได้เรียนมากมากก็ตามเอ้สภาพภาวะอันนี้มันมีในคนจะเป็นคนไทยคนจีนให้ว่าทุกศาสตร์ทุกภาษาแม้เป็นผู้หญิงก็าตามผู้ชายก็ตามอาตอมาก็เลยพูดเอาสั้นๆห่อบริษัทสี่คือผู้หญิงผู้ชายภิกษุภิกษณนวอโรตุสิกาสองคน เป็นสองบริษัทนี้เองเพราะผู้ยิงก็มีอย่างเหล่านี้ผู้ชายก็มีอย่างเหล่านี้มีพอใจไม่พอใจชอบเปลียดสัตว์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงวะนี้แปลว่าสัจจะคือของจริงอันนี้ก็โดยอัด น, นว่าอริยะปัญญาคือจะรู้อันนี้ก็ต้องเป็นอริยะบุคคลทําให้จิตใจล่วงจากภาวะอันนั้นขึ้นมาก็เลยรู้รู้เข้าใจแบบ น, นี้ก็ รู้จักตัวศาสนาศาสนาหมายถึงคำสั่งสอนของท่านผู้รู้คนผู้รู้ทมจริงๆมาสอนคนผู้ที่ไม่รู้มาสอนแบบนี้ผิดกันอาตมาก็เลยพูดให้ฟังว่าพุทธศาสนาคำสอนของพัตฐาคตเนี่ยจะเสื่อมสู์หรืออันตรฐานหายไปต้งก็ต้องมีสี่คนแต่สองคนนั่นแหละมีสี่คำพูดคือว่า หนึ่งบุคคลที่ไม่รู้แต่เที่ยวเทศเที่ยวสอนเนี่ยไม่รู้ก็สอนได้เพราะไปจําเอาจากตำลับตำนามาพูดอันนี้เมื่อผิดถูกไม่รู้แสดงว่าคนเนี้อาจจะทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไม่รู้ก็ไปสอนเพราะเป็นการขาดคิดอันนี้บริษัทหนึ่งนั้นเนี่ยบริษัทที่สองไม่รู้ แต่ไม่สอนเฉยบริษัทนี้ก็ไม่ทําลายแต่ไม่ทําให้เจริญเซ่ๆๆบริษัทนี้กินข้าไปอย่างที่เราเราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยวันนี้ก็ต้องพูดเข้าเนื้อตัวเองบ้างเป็นอย่างนั้นวันนี้บริษัทที่สามรู้รู้ดีแล้วแต่ไม่สอนเอาตัวหลบหลีกไปลี้อยู่ที่นั่นที่นี่เข้าปา่าเข้าดงท่ากมฐานทีที่ก็มีนะคงที่รู้ไม่อยากสอน บริษัทนี้ก็ไม่ทําให้พุทธศาสนาเจริญแต่ไม่ทําให้เสือ่อมไม่สอนคนแต่เฉพาะเจริญแต่และคนเดียวบริษัทนี้ก็ยังดีอยู่น่อยนิดเดียวแต่ไม่ถึงทําลายแต่บริษัทนี้ก็ยังไม่แน่นอนบริษัทคนที่สี่คือว่ารู้แล้วต้องเทศต้องสอนเมื่อไม่เมื่อไม่เทศไม่สอนคนก็ไม่รู้ บริษัทนี้ดีทําให้พุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าได้แต่ว่าบริษัทสองคนเท่านั้นเองแต่เมื่อจัดเป็นบุคคลสี่คูแปดบุรุษเนี่ยเราเราเข้าใจกันอย่างนี้ดังนั้นเนาะคาสอนของพระเจ้านะี่ยจําเป็นต้องมันมีอยู่อย่างนี้เรีวยกว่าสัจจธรรมสัจจบแล้วของจริงถึงจะรู้ไม่รู้ก็มีอยู่อย่างนั้นเพราะด้วยเจ้าท่านบําเพ็ญเพียรตัวของท่านเองท่านปฏิบัติตัวของท่านเองท่านก็เลยรู้เมื่อท่านรู้แล้วเรา ตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นเราแบบเนี้ยเราตรถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นไปถึงที่ไหนเราก็ไม่รู้ไปถึงแล้วแห่งนั้นเมื่อเรายังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเราก็มืดบอดวกวนอยู่เช่นเดียวกันเมื่อเราตรถาคตไปถึงมาแล้วแห่งนั้นก็นํามาสอนพวกเธอเธอทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตบบบเนี้ย บัด น, นี้ทีแรกว่าเราทั้งหลายไปถึงแล้วแห่งนั้นบางทีอาจจะไม่เคยได้ยินอย่างนี้ก็ได้นะหรือบางทีอาจจะได้ยินได้ฟังไม่แล้วจดจําไม่ได้ก็มีลืมก็มีเราทาั้งสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเราก็เลยว่าพาตถาคตเจ้าพระพุทธเจ้าจันมาสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเนี่ยมากลับกันอย่างนี้ดังนั้นพวกเรามาเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาที่นี่ ที่หลวงพ่อพูดกันว่าอยากให้ตั้งใจทํำลองดูมันจะมียานอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าท่านมียานยานอันนี้มันมีอยู่ในพระองค์คําว่าพระองค์เนี่ยเรารู้จักศาสนากับพุทธศาสนาเราต้องรู้ศาสนาคือคนทุกคนนั่นแหละพุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาที่มีอยู่ในคนทุกคนไม่มียกเว้นอาตมาเคยท้าทายว่าอย่างนี้แต่ไปแท้อาตมาเป็นผู้รูนะ้น่ะ เป็นพระพเจ้านะอาตมาเข้าใจซาบซึ้งตึงใจหว่าโอ้พุทธศาสนาหมายถึงตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเข้าไปรู้สภาพหรือภาวะอันนี้เนใ่ไเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นเมื่อไปถึงแล้วก็ น, นำมาสอนคนวันนี้บริษัทที่จะทำให้พุทธศาสนาเจริญคือรู้แล้วต้องไปเทศไปสอนอยังเป็นพัก ถ้าจึงแปลผู้สอนคนคนทําผิดต้องสอนเขาอันนั้นมันผิดอันนี้มันผูกไม่ใช่ว่าจะไปสอนเขาว่าเออผิดก็แล้วไปถูกก็แล้วไปกูได้เงินแล้วเอาไม่ใส่อย่างนั้นหรือกูได้กินอาหารดีๆแล้วแลกวอย่างนั้นไม่ใส่อย่างนั้นแต่ เ, เขาทําผิดก็ต้องบอกว่ามันผิดเขาทําถูกก็บอกเออนี่ถูกแล้วก็ต้องบอกดางนั้นดังนั้นพุทธศาสนาของเราทุกวันนี้จเจริญ น, น้อยไม่จเจริญมากเพราะคนรู้ไม่ค่อยสอน หรือบางทีอาจจะเป็นคนไม่รู้ไปสอนก็เลยไม่ได้เข้าใจสัจธรรมนี้เป็นว่าของจริงสัจจะเปลว่าของจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันถึงจะมีผู้ลูกก็ถามไม่มีผู้ลูกก็ถามถ้าหากมีคนอยู่แล้วมีคนไทยก็มีอย่างนี้คนจีนก็มีอย่างนี้คนไทยก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นคนจีนก็เป็นอย่างนั้นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกา คนคามนคนยวนคนลาวคนเยอรมันหรือเราไปดูคนอินเดียนะคนแขกนะก็ เ, เหมือนกันเนื่องจากว่าถ้าองค์จิวัดสภาพหรือสภาวะดั่งเดิมเหมือนกันไม่ผิดกันผิดกันแต่วมาสูงต่ำดําขาวและปัญญาน้อยมากไม่เหมือนกันเรียนรู้มากเรียนรู้น้อยไม่เหมือนกันมีเงินมีทองไม่เหมือนกันอ่างไม่เหมือนกันปัญญาจะได้แต่สภาพหรือภาวะอันนี้มีเหมือนกันทุกคน ให้เข้าใจอย่างนี้เรียกว่าสัจธรรมเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่มีการยกเว้นแต่ว่าสําคัญบุคคล น, นั่นจะทําให้รู้หรือไม่ทําให้รู้ท่า น, นเองหรือบุคคล น, นั่นจะทําให้ปรากฏขึ้นมาหรือไม่ทําให้ปรากฏขึ้นมาเมื่อจเจริญให้ได้สัดส่วนแล้วญาณเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นมาเองโดยธรรมชาติท่านจังหวัธรรมศาสตร์มันสร้างให้เองท่านไว ธรรมชาติมันสร้างให้เองเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยสบายมันก็สบายด็ธรรมชาติมันสร้างให้เองพอเรานั่งให้มันสบายมันก็ต้องสบายอย่างนี้บัดนี้เราไปนั่งอยู่ที่คุกคีบันเนี่ยสบายมันก็ธรรมชาติสร้างไอ้อย่างกุ๊กคีนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้สภาวะหรือสภาพของจิตใจของเราทุกคนเมื่อเรารู้สภาพหรือสภาวะจิตใจของเราแล้วสภาพหรือสภาวะจิตใจของคนอื่นก็เหมือนกันกับเรา ท่านจึงว่าสภาพสภาวะดั้งเดิมเหมือนกันหมดทุกคนท่านสอนอย่างนี้ดังนั้นท่านจึงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเมื่อไม่ได้ยินอย่างนี้ไม่เข้าใจสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับเราตถาคตแต่เราตถาคตตอนที่พระองค์ว่าเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วก็มาสอนพวกเราแต่ต้องทำอย่างนั้นจึงจะรู้ท่านลน ท่าจังหวัดสอนที่ทําผิดก็บอกว่าผิดที่ท่านมายกย่องเอาเรื่องการเจริญสติเพราะทําอย่างอื่นท่านทํามาแล้วอดข้าวอดน้ําท่านก็ทํามาแล้วอืไม่กินข้าวไม่พูดไม่คุยไม่กินน้ําท่านก็ทํามาแล้วท่านบอกว่านั้นมันมันมันไม่ใช่ถูกต้องท่านประวัยจังนะแต่เราก็ยังนํามาสอนกับว่าเป็นคําสอนของพระบรมเจา้าการให้ทานนักาสาธิ น, นั้นมันดีแล้ว อันนั้นก็ทําไปเถอะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์มันไม่ใช่เป็นทางแก้ทุกข์แต่พระองค์ว่าทํำยันต์ดีอยู่แล้วเพราะยังเป็นการเสียสละให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์แต่ตอนที่พระองค์ยกย่องว่าทําให้พระองค์ได้พ้นจากอาสวะและรู้จักวิธีดับอาสวะนั้นคือว่าพระองค์ได้มาเจริญสติกําหนดการเคลื่อนไหวของเรียบทของท่านเองท่านปฏิบัติตัวท่านเอง และก็มาดูสภาพรลปภาวะของจิตใจของท่านเองท่านก็ดูจิตใจของท่านเองท่านไม่ได้มองเห็นถึงคนนั้นคนนี้เมื่อท่านดูสภาพอยล่านี้มันก็เลยไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นวิธีที่ทำอาสวะไอซิทท่านก็เลอ๋อย่างนี้ทุกคนมันมีเหมือนกันกับเราจั่หวนะี้เราไปถึงแล้ววันนี้แล้วทุกคนทำอย่างเราต้องรู้อย่างเราไม่ทาอย่างเราจะไม่รู้อย่างเรา รู้จากอื่นไปไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้รู้จากอื่นไปไม่ได้มันต้องรู้อย่างนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้อันนี้พระองค์ตัดไว้แต่ว่าเราไม่เห็นตัวหนังสือแต่เราฟังมาเนี่ยที่ความจริงนี่เรียกว่าสัจจะคือของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันจะมีผู้รู้ก็เป็นอย่างนี้ไม่มีผู้รู้ก็เป็นอย่างนี้เราเดียวนี้มีแล้วเดียวนี้แต่ญาณ น, นั้นยังไม่ปรากฏ เมื่ อ, อยายังไม่ปรากฏเราก็เลยไม่มีดังนั้นเมื่อเราจเจริญไปถูกสัดส่วนแล้วมันจะปรากฏตัวมันขึ้นมาเองเมื่อมันปรากฏตัวมันขึ้นมาเองแล้วไม่ต้องถามใครที่ไหนเลยเนี่ยเราก็รู้อ๋อที่เรารวบพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวเม็ดอันนี้อันนี้เ น, นี่ยเราก็ต้องรู้จังนั้นอันนี้ของจริงมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นเลยผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีเด็กก็มีคนแก่ก็มี คนหนุ่มคนสาวมีหมดทุกคนแต่ว่าคนเหล่านั้นจะทําหรือไม่ทําคนจีนก็เป็นมีเหมือนกันคนไทยก็เป็นมีเหมือนกันคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนเยอรมันทุกชาติทุกภาษามีเหมือนกันไม่ใช่มีแต่คนอินเดียคนเดียวอันนี้มันเป็นของจริงอย่างนั้นจึงว่ายอมเสียสละสรัพย์เพืะอรักษาวิญญาณยอมเสียสละวัยวะเพื่อรักษาชีวิตไม่หลับ ยอมเสียสละสิทิตเพาะรักษาสัจธรรมเพราะพระองค์ไปรู้แล้วที่ว่ายอมเสียสละทุกอย่างขอให้ความจริงเนี่ยปรากฏเกิด ข, ขึ้นมาในจิตใจของคนทุกคนในวาระใดวาระหนึ่งอันนี้แปลว่าพูดกันด้วยความจริงใจถ้าไม่พูดมันก็เลยไม่เข้าใจกันดังนั้นการพูดวันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนอวดดีแต่ยืมเอาคําดีของพระพุทธเจ้ามาพูดสู่คนฟัง ที่อาจจะมาพูดกับตำรับตำรานั้นที่อาจจะมากล้าไม่รับรองไม่ได้เพราะว่ายืมคำพูดกับของคนอื่นถ้าเราไปยืมเอาคำพูดของพระพุทธเจ้าจริงๆเรากล้ารับรองได้ถ้าองค์ต้องสอนจริงแต่ก็รู้จริงๆอิสระทุกอย่างนะเพราะว่าวาฬสามครั้งคือจะเป็นตอนเช้าเลืองกลางวันหรือเย็นไม่กำหนดการเวลาจึงอาการิโกไม่ประกอบการและเวลา จะเป็นระยะใดเวลาใดก็ได้แต่ว่าให้เราจเจริญจริงๆริงทให้ได้สัดส่วนมาจริงๆเมื่อจเจริญจริงจริ ง, รงได้สัดส่วนมันจริงๆรงแล้วนั้นแหละจะปรากฏขึ้นมาเหมือนกับเราเพราะผ ล, ละไม้อะผ ล, ละไม้ไปปลูกลงในดินเนี่ยเมื่อได้ความอบอุ่นซุ้มเย็นมันพอดีแล้วมันจะแตกดอกเกิดแตกเม็ดแตกนออกขึ้นมา อันนี้อัตมามันเสียงไม่ค่อยดีมันแตกนอ้มันขึ้นมาว่าอย่างนี้ก็ได้ขอพูดเป็นภาษาบ้านเรานีดเดียวเอาไม pues nope. ่เข้าท <sh> ี่ไปปลูกลงในดินมันแตกขึ้นมาเองถึงเวลามันมันแตกขึ้นมาเองถ้าเป็นเม็ดข้าวรีบเทมันโบแตกเม็ดข้าวจ้าก็แตกออกมาอ้องนอ้มขึกันเม็ดข้าวเหนียวก็ออานอ้มขึกันเม็ดข้าวอันใดก็ออานอ้มัดทุกเม็ดแต่ข้าวรีบเทโบออกบัานนี้เม็ดข้าวว้นข้าวเต็มบนเนือขันเอาไว้ไว้ในยุ่งในสระโบไปเพพอดินอะไร่บออก คนเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่เจอเลยจริงๆแล้วไม่รูอ้อันนี้เป็นของจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ดังนั้นเราเป็นสาวพุทธอยากเข้าใจว่าเราทาบุญให้ฐานรักษาศีลแล้วจะได้รับมู ล, ลดกต ก, ตกทอดมาที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ไปแล้วนั้นว่าสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทาลงไปแล้ว ในบัตร น, นี้อันนั้นเป็นคำพูดแต่ความจริงว่าสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทําลงไปแล้วในบัตร น, นี้จงมีส่วนการเจริญสติวิธีใดวิธีถึงที่พระองค์สอนเอาไว้เป็นคำรับรองขอบคุณถ้าเราทําแล้วสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นมาเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าจึงว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคต เป็นพระพุทธเจ้าห น, น้อยๆตามนี่ว่าสาวกพุทธะเราเคยพูดกันว่าสาวกพุทธะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าตัดสู้ล่วงหน้าไปพระพุทธเจ้าทําอันนี้จะรู้ล่วงหน้าไม่ได้เมื่อมันปรากฏขึ้นมาก็าต้องรู้เองเห็นเองเข้าใจเองจะรู้ขาดคิดเอาไม่ได้เราเรียนหนังสือตํารามากๆเยต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นการขาดคิดเอาพระองค์ตัดไว้แล้วอ่ะเรื่องอาลามาศุขเนี่ยอย่าเสื่อถือโดยเขา อะไรพูดตามตามกันมาเนี่ยพระพุทธเจเ้าไม่เชื่อเลยอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพระพุทธเจเ้าไม่เชื่อเลยอย่าเชื่อถือโดยเห็นว่ามันมีอยู่ในตำรับตำลาเนี่ยพระพุทธเจเ้าไม่เชื่อเลยอย่าเชื่อถือโดยที่ว่าอะไรพวกสิบข้ออจะมาจําไม่ได้ลนะเพราะมันไม่ได้เป็นหัวตำรับตำราอะไรแล้วเนี่ยนะมันจำไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าเองก็ไม่เชื่อ เราบัด น, นี้เราไปแปลหนังสือขาดคิดเอาดนเอาว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยูอย่หน้าที่เท่านั้นบรรทัดเอาจําได้นี่พะท่านก็ยังบอกว่าหลักของเขาหนึ่งนี่ท่านสอนเลยเศรษเมถุนหนึ่งลักของเขาหนึ่งฆ่าสัตว์หนึ่งพูดอวดอุตตริมนุษส์ศาสนาคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนนี่ท่านว่านี่ขาดจากผมเป็นภิกษุเป็นภิกษุในบวรพุทธศาสนาไม่ได้ภิกษุแปลผู้กลัวผู้เห็นไผ่เดี๋ยวนี้ไม่กลัวเลย ไม่เห็นภัยเลยเทศสอนกันไปเรื่อยๆไปเลยยิ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงวะเราทุกคนวันนี้ก็ต้องพูดคันเริ่มสัญาธรรมทําตัวของเราเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าจริงจรถ้าเรารู้จริงๆรลงเสอนได้ถ้าสิบแปดผู้สอนจริงว่าสงสาวกของพระภิกษภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้ว สามิจิปติปโนภะควะโตสาวกสังโสงสาวกของพระวิภาคเจ้านั้นหมดปฏิบัติสมควรแล้วถ้าสมควรแล้วก็ตรงไม่หลงใครจะพูดจะนไงกลมเชื่อเชื้อควมลู้คมเห็นของตัวเองทำให้เสื่อจากนั้นดังนั้นที่อาตมานำมาพูดให้ฟังนี้ <c oughs> ดังนั้นที่อาตมานำมาพูดให้ฟังนี้ในตำลา หนังสือธรรมบิจารบอกว่าผู้ใดเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่คําว่าติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ต้องทําไม่มีเวลาว่างอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอ น, นิสงส์สองประการทันวายนื้นึงเป็นพระอรหันในปัจจุบันพบนี้ หากไม่ได้เป็นพระอาหารหันในปัจจุบันพกนี้ท่านว่าเป็นพระอนาคามียตัวหนังสือว่าอย่างนั้นแต่ที่นี้อาตมารับรองคําพูดของพระพิจ้าท่านตัดไว้บทนี้ว่าผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานสี่ให้ถูกต้องคําว่าเอาอันถูกต้องได้อันไม่ถูกต้องไม่เอาอะเอาอันถูกต้องไม่ใช่เอาชอบใจเอาอันถูกต้องถูกต้องที่พระองค์ทำนั่นเองอาตมาพูดเนไง ท่านตัดไว้จ็ปีเพราะว่าคนเกลียดคานไม่ขยันเหมือนตัวพระองค์ทำท่านทำหกปีแต่บัดนี้อธมายืนยันรับรองว่าเอา้าให้เจริญสติปัะญาสีแปบกเคลื่อนไหวเนี่ยเอารับรองได้สามปีสามปีอานิสงไม่ต้องพูดเลยอย่างนานสามปีอย่างต่างให้เวลาหนึ่งปีเนี่ยอย่างสัดที่สุดหรือกระทัดนัดที่สุดให้เวลาสามเดือนหรือเก้าสี่วันทาให้ติดต่อกันจริง ไปไหนมาไหนให้รู้สึกจริงๆเอาวไม่ต้องมาตัดสู้เป็นพระอรหันต์หรอกอันเนี้ยแต่พวกนั้นจะลดน้อยไปจริงๆ จ, งๆจึงว่ารู้จักอาสวะขยันรู้จักวิธีทําให้ทุกน้อยหรือหมดไปได้อันนี้เป็นความจริงที่ว่าสัจจะทำเอาแหละวันนี้ที่อาตมาได้นําธรรมะคําสอนขององค์นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเล่าเรื่องสัจจะทำให้ฟังเพียงสัส้นๆหรือย่อๆ ก็เห็นว่าพอสมควรเกเวลาแล้วอาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะยุณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแำำ อ, ง อ, งมมาาอและคุณพรรัฒนาสาวกพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาอย่างถูกต้องคือพระองค์นั่นแหละ ทำเหมือนกับพระองค์นั่นแหละให้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจจังหว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นพระพุทธเจ้าได้น้อยตามไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนให้เราไปพบไปเห็นเอาส่วระยะเวลาอันใกคือในชีวิตนี้จงทุกทันทุกคนเถินพระาสดีลิถามว่าก็จะสอนให้เด็กเจอตเองตัวที่สำคัญที ที่อาตมาสอนหาอายุเก้าปีก็ไม่ทราบเพราะเรายัางไม่เคยทดลองอาจจะได้ไดีได้ยินว่าราวขุนอายุเจ็ดปีว่าอย่างนั้นเห็ได้ยินได้ยินธรรลานะว่าอายุของราวขุนไปเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอายุเจ็ดปีได้ดวงตาเห็นธรรมว่าอย่างนั้นแต่ว่าอาตมายังไม่รู้อันนี้เห็นธรรไม่เห็นธรรมก็แล้วแต่นะ่ะแต่ว่าอายุเก้าปีนี่เขาจะรู้啊 เขาจะไม่ทำผิดเขาจะรู้ว่าเขาเขารู้แนวทางของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เนี่ถูกตรองมาแล้วข้อต่อไปในการเจอเศรษนีควรจะยอยูอย่ที่สงหรือว่าอยู่ในสถานที่พูพ้นทั่วไปที่เที่เราทำงานเพราะเราเราะเราที่ต้องเปประยุทยใช้กับคนงาน เพรางั้นเวลาเจริญสตเนี่ยเราจะเจริญให้มีคุณอยู่ที่ไหนก็ไา้เรื่องการเจริญสติไม่เป็นปัญหาจะไปหาสถานที่ที่ไหนอย่ากรุงเทพเนี่ยมันจะสงบได้ที่ไหนมัตอนในเมืองเนี่ยอย่างที่เราเป็นาอนที่วัฒนธรรมไหนเนี่ยเข้ามาแล้วมันสบายอันนี้ธรรมศาสตร์มันสอนให้อันเนี้ยแต่เราจะมาทํางานที่นี่มันไม่ได้เพราะมันไม่มีงาน แล้วก็มาควรมาฝึกหัดเท่านั้นเองจะไปฝึกหัดที่ไหนเขาได้แต่ขอให้ว่าบุคคลที่จะสอนน่ะเขาจริงไหมเท่านั้นเองถ้าบุคคลที่สอนจริงอยู่ที่ไหนเ็าจริงได้เ่านั้นมันไม่สำคัญกับสถานที่สำคัญคนที่แนแนวแต่ว่าคนที่แน่แนวก็ไม่สำคัญสำคัญที่ตัวเราอีกแล้วสำคัญเราจะเอาจริงหรือไม่จริงเท่านั้นเอง